ต่อเลยนะครับว่าพระผู้มีพระภาคทรงพนามว่าพระขวเนี่ยเพราะทรงคายพระคธรรมพระผู้มีพระภาคนะครับหรือว่าพระพุทธเจ้านี่ทรงพนามว่าพระขาเพราะหมายคำว่าทรงคายพระคธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรคือเพราะเหตุที่พระตถาคตเจ้านี่นะครับแม้ครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ทรงบําเพ็ญพระบารมีในอดีตชาติ ก็ได้ทรงคายขยอกทิ้งซึ่งสิริและอิสริยยศที่เรียกว่าพระคะอย่างไม่ใหญ่ดีเหมือนทรงบ้วนก้อนเคละทิ้งเช่นั้นนะคือแม้กระทั่งไอทรัพย์สมบัตินะนะสิริที่เรียกว่าใหญ่โตเนี่ยนะจักระพัดสมบัติเป็นต้นเนี่ยนะก็คายทิ้งได้เหมือนกับบ้วนน้ำลายทิ้งอ่ะนะอันนี้ฟังยากเหมือนกันบอกถ้าเป็นพระราชาเป็นใหญ่ในแผ่นดินทั้งหมดอ่ะนะ สละแผ่นดินทิ้งเหมือนกระถมน้ำลายทริงๆนั่นทําได้ขนาดนั้นนะนะจริงอย่างนั้นในอัตภาพที่พระองค์ทรงสละสิริราชสมบัติอันเป็นเช่นกับราชสมบัติของเทวดาด้วยอํานาจการบําเพ็ญเนคขมะบารมีเนี่ยนะครับกําหนดจํานวนไม่ได้ในชาติทั้งหลายคือไม่ใช่ชาติเดียวนะนับไม่หวาดไม่ไหวที่เป็นกษัตริหรือเป็นจั ก, กรพรรดิแล้วออกบวชนะเป็นต้นอย่างนี้คือในคราวเกิดเป็นสมนัตกุมาร นั่นแหะคือเกิดเป็นเรียกว่าเจ้าฟ้าชายนะพร้อมที่จะถล่มถวันราชสมบัติแล้วก็แม่เบวช ด, ดีกว่าหรือว่าในคราวเกิดเป็นหัตถปารักุมาร น, นะในหัตถ์ปาราชาดกเนี่ยนะครับหรือว่าในคราวเกิดเป็นอโยคะบัณฑิตอันนี้ก็เป็นพร้อมที่จะเป็นพระราชาเหมือนกันพ่อจะพิเศษอยู่แล้วก็ไม่เอาออกบวชหรือว่าในคราวที่เกิดเป็นมูฆะปักขาบัณฑิตคือพระเตมีใบนะ ในคราวเกิดเป็นพระเจ้าจูลสุธสมเป็นต้นนะนะชาติเหล่านี้เป็นอันมากที่ไม่ได้พูดถึงว่าสละราชสมบัติเหล่านั้ น, น, นเนี่ยออกบวชได้คลายทิ้งได้เหมือนก็คลายก้อนเคละน้ําลายนะก็ถ้าสำนวนก้อนถมน้ําลายนีย่ก็นึกถึงในประวัติของพระเจ้ากับปินานะพอได้ฟังข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะก็ มอบสมบัติให้มาเหสีเลยมาดูแลเอากันแล้วกันว่างั้นครับทีนี้มาเหสีพอได้ข่าวว่าสามีออกบวชเนี่ยนะ mm. ก็บอกว่าพระราชาเนี่ยถมน้ําลายมาใครจะไปอ้าปากรับทําอะไร <c oughs> นางก็ไม่เอาบวชเหมือนกันว่างั้นเพราะฉะนั้นเขามองเหมือนกับน้ําลายนะอันนี้พูดสําหรับคนเขามีบุญนะครับเขาไม่ได้ผูกพันอะไรเพราะว่าผูกพันแล้วตายไปเกิดเป็นผีเฝ้าแถวๆนั้นนะครับลําผาก มีมีจีวรเนี่ตายไปเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวรนยุง่งนะฮะเพราะฉะนั้นแม้ในอัตภาพก่อนๆพระองค์ก็ไม่ได้สําคัญสิริจักรพัฒสมบัติมีความเป็นใหญ่ในทวีปทั้งสอันเป็นเช่นเดียวกับความเป็นใหญ่ในเทวโลกและยศที่สง่า ง, งามด้วยรัตนเจ็ดซึ่งเป็นที่อาศัยของสมบัติของพระเจ้าจากาักรพัฒที่อยู่แค่เอื้อมว่ายิ่งไปกว่าหญ้า สมบัติจกักรพรรดิกับมองเห็นเส้นญาก็ไม่ได้มีความต่างกันเลยนะโดยเฉพาะยิ่งชาติสุดท้ายด้วยแล้วเนี่ยนะชาติที่ออกบวชเนี่ยบอกว่าอีกเจ็ดวันท่านจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกฟางทั้งหลายเลยนะไม่รู้จะเอามาทําอะไรอย่านั้นเถอะทรงละทิ้งอย่างไม่ใหญ่ดีแล้วก็เสด็จออกพิเนสกรมจนน่ายตรสรููพระสัมมาสัมโพธิญาณนี่นะครับสละออกบวชเลย ฉะนั้นจึงทรงพระนามว่าพักวะเพราะหมายคำว่าทรงคายพักธรรมมีสิริเป็นต้นดังพันณนามมาช่นนี้ว่างคายบ้านคายเมืองคายทรัพย์คายสมบัติเลยนะแต่ก็ยังมีคนพาลแอบตําหนิอีกนะครับอ้ยคนอะไรใจไม้แสะระกรรมทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งพ่อทิ้งแม่อ้ยไม่สงสารเลยเหมือนกันเถอ น, นะนะก็คิดแบบคนพาลนะครับ ยังก็ว่าไม่ทิ้งแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมครับอีกกี่ปีมันก็จากแล้วไม่จากเป็นก็จากตายก็จากวันนี้ถ้าให้เสร็จเพื่อไปแสวงหาโพ่ยญานก็สิ้นเรื่องอนะก็ยังกะว่าไม่จากวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะไม่จากอย่างนั้นหละไม่จากวันนี้ก็จากพรุ่งนี้นี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละสังขารทั้งหลายที่ประชมปรุงแต่งกันขึ้นมันก็ต้องมีการแตกทำลายมีการพลัดพรากอันนี้เป็นของธรรมดาอยู่แล้วนะครับยังก็ว่าตายแล้วก็เอาศพกันไปด้วยอย่างนั้นเละ ่อไปคนแบกศพเดี๋ยวก็ตายนี้จากเองกันแหละอีกอย่างหนึง่งธรรมะทั้งหลายเชื่อว่าพระค่าเพราะเป็นเครื่องไปคือเป็นไปสม่ำเสมอแห่งนักษัตริย์ทั้งหลายที่ชื่อว่าพาอันอาศัยโลกพิเศษซึ่งจำแนกเป็นภูเขาสินิรุยุคันทรอุตระทเวีบกุรุทเวีบและก็ภูเขาหิมม a w เป็นต้นเชื่อว่าโสพาเพราะมีความตั้งอยู่ตลอดกับนะครับ ไอ้นั ก, กษัตว์เนี่ยนะครับตั้งอยู่ตลอดกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะครับทรงคายคือทรงละพระธรรมแม้เหล่านั้นด้วยการละฉันทราคะอันปฏิพัฒน์ในพระธรรมนั้นเพราะก้าวล่วงซึ่งสัตวตาว่อันอยู่อาศัยด้วยพระธรรมนั้นคือพระองค์เนี่ยนะครับไม่มีสัตวตาว่าใดๆที่จะไปเสาะแสวงหาพระองค์ว่าตอนนี้พระองค์อยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าน ก็นขนาดนั้นบางคนก็ยังสมมุติเมืองสักเมืองขึ้นมาว่าพระองค์อยู่ที่นั่นเหมือนั้นาสามารถไปเที่ยวหาพระองค์ได้แต่ที่จริงแล้วพระองค์ไม่ได้มีถิ่นฐานเป็นที่อยู่แล้วเนื่องจากไม่ได้อยู่ในสุทธาวาสใดสุดทธาวาสหนึ่งเลยนะครับไปเที่ยวหาตามมนุษย์พรหมโลกเทวโลกเป็นต้นเนี่ยนะครับมารโลกพรหมโลกเป็นต้นเนี่ยก็ไม่มีไปหาที่ไหนก็ไม่มีทีนี้นถามว่าเอางั้นก็อยู่ในนิพพานสินิพพานคืออะไรครับ นิพพานเนี่ยคือธรรมะที่ไม่เป็นไปแห่งทุกข์กับทุกขสมมุทัยเนี่ยนะครับฉะนั้นบางแห่งอธิบายเลยว่าพระ อ, องค์เนี่ยนะละจากขูอันนี้แล้วก็ไม่ถือเอาจากขูอันใหม่เนี่ยนะพระสัตว์ทั้งหลายโดยมากก็ละจากขูอันนี้ก็หาตาอันใหม่ละโสตาอันนี้คือละหูอันนี้ก็หาหูอันใหม่ละจมูกอันนี้ก็ละหาจมูกอันใหม่ละลิ้นก็หาลิ้นอันใหม่ละกายก็หากายอันใหม่ และจิตก็สแสวงหาจิตอันใหม่เนี่ยนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจพะองนี้อาศัยกําจัดต้นเหตุที่เป็นสมุทัยเพื่อให้เกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เด็ดขาดแล้วนะครับขออนญาติครับและที่ที่เข้าไปเห็นเห็นกันเนี่ยมันมันจะเป็นนิมิตที่เข้าสร้างขึ้นมาหรื อ, อยังไงและทําไมมันถึงเห็นกันหลายๆคนอะไรอย่างนี้ตรงนี้นะครับถ้าโดยส่วนตัวแล้วก็ตอบง่ายว่าไม่ทราบนะครับ เพราะว่าคือให้ความสนใจในสิ่งเหล่านี้น้อยขึ้นไปเพราะผมคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะครับโอถ้าไปอ่านพระไตรปิฎกคงน่าจะได้หลายสูตรและก็เลยไปอ่านดีกว่านะครับนะเพราะพระมองค์นี้ก้าวล่วงเหตุแห่งสัตวว่าทั้งหมดเลยนะครับภูมิมันเป็นที่ตั้งหรือว่าพบวิมานอะไรไม่มีซากอย่างนะครับไปเสาะหาสะแสวงหาที่ไหนก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าไปเที่ยวสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็ ก็เท่ากับยินดีในวัฏทุกข์อยู่นั่นแหละเพราะสัตาว์ว่าเป็นต้นก็คือทุกขสัตว์นะครับทุกขสัตว์นี่บางศัพท์อีกหนึ่งเรียกว่าโลกโลกหนึ่งเรียกว่าสับเพสตาหารติติการโลกสองคือนามกับรูปโลกสามก็คือเวทนาสามโลกสี่อาหารสี่โลกห้าอุปาทานขันห้าโลกหกคืออายตนะภายใน6นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่มีในโลกคืออายตนะภายใน6กตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีแล้ว มันคนจะสื่อกันคุยกันสนทนากันเป็นแล้วก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่นี้พระองค์ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจพอให้คุยกันอะไรได้แล้วนะพระองค์ก็ไม่มีวิญญาณเทติเจดนะภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณที่ใดที่หนึ่งก็ไม่มีหรือว่าโลกธรรมแปดนี่นะครับที่จะต้องรับโลกธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีอีกแล้วนะที่ว่าใครจะไปบูชาพระองค์ก็บูชาส่วนไหนอะ แต่ว่าจิตที่ล้ำลึกถึงคุณเนี่ยแม้แต่จะนิพพานไปแล้วก็ยังได้บุญเท่ากันนั่นแหละนะขอให้ล้ำลึกถึงคุณของพระ อ, องค์เถอะทีนี้พระองค์นั้นน่ะไม่มีสัตว์วาด้ก้านะครับภูมิมันเป็นที่อยู่ของสัตว์เนี่ยนะสามสเอ็ดภพภูมิเนี่ยไปหาไม่เจอฟังกันอย่างบางคนยังเคยคิดหลุดนอกโลกนั้นไปอีกฟังกันเถอะนอกเนี่ยมันเลยอันนั้นไปนั่แหละคือ น, นิพพานก็ยังไปจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยไปอีกนะครับ มันอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะมันหาไปมันก็มีแต่จักรวาลอื่นๆอื่นๆอื่นๆไปเรื่อยนะครับจักรวาลที่อยู่ด้านทิศบนศีรษะของเรานี่ไม่มีที่สุดนะครับไปในด้านโน้น เ, เองนะครับในเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่นั้นไม่ต้องไปส่อหาว่ามันพ้นจากตรนั้นจุดนี้ก็นั่งนึกนั่งคิดนั่งเดาเอาแต่ถ้าผมชอบสำนวนของอนาถาบินฑิกาเศรษฐีว่าอ้ทีท่านคิดแบบนั้นนะ่ะนะ มันก็เป็นทิฏฐิอย่างหนึง่งว่างั้นไอ้ทิฏฐินั้นก็ไม่เที่ยงนะอันตัดใ จ, จปรุงแต่งว่า ง, งั้นเถอะมีความสิ้นไปเป็นธรรมนาเสื่อมไปเป็นธรรมนาถึงไปคิดเรื่องนี้มากๆไอ้ความคิดอันนั้นก็ไม่เที่ยงอะไรหรอกเห็นไหมคาขาดแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมยังถามว่าส่อหาตัวเองสแสวงหาตัวเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ยังไม่ยินดีใน ในพระนิพพานก็เท่ากับยินดีตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจคิดไหมทําว่าจะพ้นทุกทุกมันจะเกิดเกิดที่ไหนก็เกิดทั้งอาศัยตานี่ยแหละครับทุกจะเกิดก็อาศัยหูทุกจะเกิดก็อาศัยจมูกทุกจะเกิดก็อาศัยลิ้นทุกจะเกิดก็อาศัยกายทุกจะเกิดก็เพราะอาศัยใจเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าจะละอันนี้ก็ต้องละสมุทัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้นะครับ แต่ถ้าผู้ใดยังยินดีในตาหูจมูกเลี้ยกายใจเป็นต้นก็เท่ากับยินดีในทุกขถ้ายินดีในทุกก็ไม่พ้นจากทุกนะครับก็ยังจมอยู่ในวัฏทุกขต่อไปอันนี้แต่เราก็อย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเขาเห็นว่าอะไรดีเขาก็ถือว่าสิ่งนั้นแหละดีแต่คือบางอย่างที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยอาจจะเห็นจริงไอการเห็นเนี่ยจริงแต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริง น, นะครับถ้าถ้าเป็นหลวงปู่สายรู้นี่มิตรทั้งหลายแหลก็จะชอบพูดอย่างนี้นะว่าเอ อ, อที่เขาเห็นเนี่ยจริงไหมจริงแต่สิ่งที่เขาเห็นมันไม่จริงรอกว่างั้นเถอะหลวงปู่ก็จะแนะนํากันแบบนี้นะ เ, ออเคยอยากจะถามหลายครั้งละเรื่องว่าเออให้ละตัณหาตัณหาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าสมุทยัยตรงนี้เนี่ยผมก็นั่งนึกนึกว่าเ อ, อ๊ะละยังไงดีนาะฟังฟังก็ จับอะไรไม่ได้สักตีนะมันผมเลยคิดว่าเอ๊ะมันใช่จะสาวไปหาตรงอวิชชาแล้วก็พยายามทําบัญญาให้เกิดอะไรตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมเลยยังไงคือมันลักษณะนี้นะว่าเช่นว่าจักขูเนี่ยนะครับที่มาเป็นจักขูอันนี้เนี่ยนะอาศัยอวิชชาอาศัยตันหาอาศัยกรรมในอดีตนะครับเป็นปัจจัยจึงมีจักขูอันใหม่อันนี้ขึ้นเนี่ยนะครับ วิชาตัญหากรรมอุปท า, านในอดีตเป็นต้นนะครับเป็นเป็นอาหารเพื่อการเกิดขึ้นของจักรู่อันนี้แล้วก็อาหารใหม่ในปัจจุบันนะ น, นะเรียกว่าไอ้ตัวที่อดีตเรียกว่าปัจจัยนะครับแล้วก็อาหารเป็นต้นที่เกิดในปัจจุบันในมาอุปรถรมัมจักรโคอันนี้ไว้นะแต่ถ้าไม่มีตัญหาในอดีตจักรโคอันนี้ก็ไม่มีแต่อาศัยตันหาวิชากรรมในอดีตนั่นแหละทาให้มีจักรโอันนี้ ทีนี้อาศัยจากครูอันนี้ก็จเจริญอวิชชาตันหากรรมอันใหม่เนี่ยนะอวิตันห า, าวิชชากรรมอันใหม่อันนี้เป็นไปเพื่อให้มีจักขุอันต่อไปในอนาคตเนี่ยนะเช่นว่าในอดีตเนี่ยนะครับทำบุญมาด้วยแสงสว่างทําให้ชาตินี้มีตาดีเห็นอะไรชัดเจนไปหมดเนี่ยนะครับแต่ก็เพราะอาวิชชาตันหานะี่ยแหละให้ทํากรรมอันนั้นอนะ ทีนี้พมาชาตินี้อีกก็อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจ น, นี่แหละมาเนี่ยแหละทำบุญอีกหรือว่าอาศัยตาหูเนี่ยอาศัยตาเนี่ยไปทําบาปอีกนี่นะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเพื่อตาอันใหม่ในอนาคตแต่ผู้ที่รอบรู้ว่ารอบรู้นะว่าเออตาเนี่ยนะอาศัยเหตุเกิดคืออวิชชาตันหกรรมเป็นต้นในอดีตนี่แหละเป็นเหตุเกิดแห่งจักขคู่หรือตาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าละอวิชชาในจักขคู่เสีย เนื่องจากรู้ความเป็นไปของจักขคูตลอดสายทั้งโดยปัจจัยเหตุเกิดและความดับของจักรคู่ว่าจักรคู่จะเกิดเกิดโดยอาการ5เพราะวิชาเกิดจักขคู่เกิดเพราะตันหาเกิดจักรคู่จึงเกิดเพราะกรรมเกิดจักขคู่จึงเกิดแล้วก็เพราะอาหารเกิดจักขคู่จึงเกิดแล้วก็นิพัติลักขณะของจักขคู่แล้วก็รู้ความดับของจักขคู่ถ้าวิชาดับด้วยอรหัตตมรักนะจักรคู่ก็ไม่มีอีกเลยถ้าตันหาดับด้วยอรหัตตมรักก็ไม่มีจักขคู่ถ้ากรรมดับเนี่ยนะ ละกรมอ น, นี้ด้วยอหรหัตมรจกขวาก็ไม่มีถ้าอาหารอันนี้ดับจักรคูอันนี้ก็แตกไปเป็นต้นนะครับก็รู้แล้วก็วิปริณามะความที่จกักรคไม่เที่ยงเนี่ยรู้เหตุเกิดกับความดับอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อกําจัดฉันทราคาจากนายจักรคูเห็นเหตุเกิดเห็นความดับอย่างที่ว่าไปแล้วก็รู้ว่าจากักรคูเนี่ยนะมันให้อัสสาธะความหน้าปราบปลื้มใจขนาดไหนแล้วก็เห็นโทษของจักรคูด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเหมือนโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศ้อนเป็นความลําบาก เป็นตัวอาพาธเป็นตัวเจ็บตัวไข้ตัวป่วยตัวแก่ตัวเจ็บตัวตายตัวเศร้ามองตัวมานว่า้นแต่ตัวจังไรตัวเรวสามทั้งหลายก็อยู่ในนั้นหมดแล้วมันก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและก็กําจัดฉันทราคะในจักรโคเมื่อละฉันทราคะในจักขโคด้วยอรหัตมรักแล้วนะก็จะไม่ถือเอาจักรโคอันใหม่อีกนะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้ท่านก็พระองค์นี่ทําอย่างเงี้ยทุกทวารหมดนะครับ ไม่ใช่แค่จกักรโอย่างเดียวแต่พอเป็นตัวอย่างครับหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันแล้วก็ใจก็เหมือนกันทีนี้ต่อไปนะครับว่ายัางอยู่ในข้อหกที่ว่าพระพ้องค์นี้ทรงพระนามว่าพักวานะครับเพราะทรงละจักรพัตน ส, สิริยศอิสริยะสุขและการสะสมโลกนะครับ โดยกระทั่งแม่สะสมตาพระองค์ก็ไม่สะสมอีกแล้วนะสะสมหูพระองค์ก็ไม่สะสมอีกแล้วจมูกพระองค์ก็ไม่สะสมลิ้นก็ไม่สะสมกายพระองค์ก็ไม่สะสมแม่แต่ใจอันใหม่พระองค์ก็ไม่สะสมอันแล้วนะครับสะสมก็คือยินดีเพื่อมีสิ่งเหล่านี้อันใหม่อีกเนี่ยของเราเนี่นะคิดตลอดนี่เนี่ยพบหน้าจะเป็นยังไงนะเนี่พวกนี้สะสมพบใหม่หมดเลยแสวงหาพบอยู่ดีนั่นแหละแต่พระองค์นี่ไม่ไม่ไม่ถามหานะครับ ไม่ยินดีในการเป็นอยู่แล้วก็ไม่ยินดีในความตายแต่จะรอความตายเหมือนคนรอรับค่าจ้างว่างั้นแถอะแล้วก็จะดับจิริ ม, มากาจิตเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกลัวพยามาหาปฏิสนที่วิญญาณไม่พบนะครับว่าอยู่ตรงที่ไหนณแห่งหนตาบลในเพราะไม่มีจิตแล้วจิตอันนี้ดับแล้ว เชื้อที่จะให้ปฏิสนธิเป็นวิบากและกรรมชรูปเป็นนามเป็นรูปไม่มีสักอันเลยเพราะสำรอกอวิชชาตันหาอุปาทานได้หมดเกลี้ยงแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเพราะสำรอกอวิชชาด้วยอรหัตมรักษนี่นะครับโดยไม่มีส่วนเหลือเจตนากรรมก็ดับคือกรรมนั้นจะไม่มีผลเด็ดขาดนะถ้าสิ้นอวิชชาแล้วนะถ้ากรรมดับปฏิสนธิวิญญาณก็ดับถ้าปฏิสนธิวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปดับสลายยตนาก็ดับถ้าสลายยตนาดับ ภาษาก็ดับถ้าภาษาก็ดับภพก็ไปเวทนาก็ดับถ้าเวทนาดับตัณหาก็ดับถ้าตัณหาดับอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับเจตนาภพก็ดับภพทั้งอุปาติภพกรรมภพก็ดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณาโศกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะสารอลกอวิชชาด้วยอรหัตตมรรคพราะดับแล้วไปถามหาภพณที่แห่งหนดำบลใดล่นะ ไปสาหาท่านทำไมนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าเออเคยมีนะบุคคลผู้เป็นเลิศแบบนี้นะก็บอกว่าพระพุทธเจ้าแต่และพระ อ, องค์เนี่ยอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกถ้าอุปมา ก, ก็เหมือนกับไฟกองใหญ่ที่เคยลุกสว่างโชดช่วงแล้วก็มอดดับไป ก็รอพระพุทธเจ้าอ ง, องค์ใหม่เท่านั้นแหละที่จะมาเปิดเผยว่าสมัยนั้นเคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสั่งสอนอย่างนั้นให้โอวาทปาติโมกอย่างนั้นเกิดมาในยุคเท่านั้นมีภาษาวกเช่นนั้นเช่นนั้นบรรลุอย่างนั้นอย่างนั้นมีคุณธรรมอย่างนั้นก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเปิดเผยเท่านั้นเองนะครับก็รอพระสีอานมาเปิดเผยของเรานี้ภาษีสีอานเทศนี่ได้ฟังหรือเปล่าน้อะนะครับทาไม่ประโยคนาววิบัติคงได้ฟังแน่นะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับ มันก็เหมือนกับการเดินทางเนี่ยนะฮเหมือนเดินทางไปบนถนนตามทางรถยนต์เนี่ยถามว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ถึงก็ต้องดูว่าในระหว่างทางเนี่ยประมาทหรือไม่ถ้าประมาทนะครับถ้าพวงมาลัยไปหักลงเหวซะมันก็ไม่ถึงแต่ถ้าไปตามหลักมันก็ถึงเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าทั้งผานทั้งบันดิตทั้งคนดีทั้งคนชั่วในที่สุดนี่พ่านหมดอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับถ้าคิดอย่างนั้นเมื่อไรอางั้นก็มักมีองคแตกก็จะเกิดได้แม้แต่กับคนผ่าน แต่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับถ้าหากว่าเดี๋ยวเวียนตายเวียนเกิดเดี๋ยวก็บรรลุเองแหละถ้าคิดอย่างนี้นะครับเป็นลทัทธิมิจฉาทิฏฐิอีกมิจฉทิฏฐิหนึ่งนะครับที่ในในพรมนารถากัสปะชาดกนะแต่ 84, ก็แปดหมื่ันกลับนะั่นมันลุหมดแล้วนะีต่จริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นอริยมรรคมีองค์8ไม่ต้องนะครับแล้วพระองค์จะไม่ตรัสถึงสังสารวัฏอันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่มีที่สิ้นสุดเด็ดขาด คงจะไม่ตรัสแบบนั้นเลยถ้าหากว่าถึงณจุดใดจุดหนึ่งแล้วสัตว์จะบริสุทธิ์กันหมดอันนี้ไม่ใช่เว้นไว้แต่เข้าใจว่าพรหมโลกคือที่บริสุทธิ์ของเขาอาจจะมีนะครับบางช่วงที่ไฟจะไม่กลับเนี่ยนะสัตว์อาจจะไปเกิดในพรหมโลกสัตดส่วนใหญ่อันน้นอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่ว่าเข้าถึงโล ก, กุตระสุขพลจากวัฏทุกทั้ง์มวลเนี่ยไม่ใช่ฐานะเด็ดขาดนะครับ ถ้าเป็นฐานะเช่นนั้นพระองค์คงแสดงแล้วล่ะโอ้ยพวกเธอไม่ต้องไปอะไรหรอกรอไปเถอะเอ้ยเดี๋ยวก็ถึงวันนั้นมันได้ดิบได้ดีกันหมดแลว้ว ง, งั้นแต่นี้ไม่มีเลยดูก่อนที่สูงทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดตัวนั้นเถอะนะจงภาพเพียรพยายามเถิดจงศึกษาเถิดนะนฝ่ายใจเพื่อสันติเถิดมีแต่ภาพเพียรพยายามหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดจะเหือดแห้งก็ช่างมันก็มีแต่สอนให้เพียรพยายามตลอดเลยนะครับ ไม่ได้ว่าเช้าชามเย็นชามเนี่ยไม่มีนะครับสำนวนนี่ในประไตรปิฎก